เข้าใจอริยสัจแจมแจ้งก็จะข้ามภพข้ามชาติไม่เกิดละระับใดที่ไม่เข้าใจอริยสัจยังต้องเกิดอีกงั้นธรรมะที่หลวงพ่อพูดนั่นจะเวียนอยู่ในเรื่องอริยสัจอย่างเรื่องทุกข์รื่งทุกข์คือเรื่องกายกับใจกิจต่อทุกข์คือให้รู้กายให้รู้ใจหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้ก็จะบอกวิธีรู้จะรู้กายจะทำยังไงจะรู้ใจจะทำยังไง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 ทันทีที่สมุทัยถูกละนิโรธหรือนิพานก็แจ้งในขนาดนั้นเลยแม้มันเกิดในขณะเดียวกันนะรู้ทุกปุ๊บก็เป็นอันละสมุทยัยนิโรธแจ้งขนาดนั้นเลยนิโรธก็คือนิพานนิพานคืออะไรนิพานก็คือสันติความสงบความสงบจากกิเลสสงบจากขันสงบจากความปรุงแตง่งสงบความปรุงแต่งฝ่ายดีฝ่ายชั่วสงบจากความปรุงแต่ง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 สิ่งที่ยึดเหนียวแน่นที่สุดก็คือจิตนั่นเองสังเกตไหมเราดิ้นรนทุกวันนี้เราดิ้นรนเพื่อจะให้ร่างกายมีความสุขแต่ดิ้นรนเพื่อให้จิตใจมีความสุขเรารักร่างกายเรารักจิตใจเราดิ้นรนเพื่อให้ร่างกายเป็นสุขเพื่อให้จิตใจเป็นสุขคเคยไปโรงพยาบาลหรือไปเฝ้าคนป่วยไหมเวลาร่างกายเจ็บหนักๆ น, นะหลายคนอยากให้ตายเร็วๆเวมื่อไหร่จะตาย้ยเมื่อไหร่จะตายไ ม, ไม่รักร่างกายแล้ว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 เพรนหน้าที่เราต้องหันดูสภาวะบ่อยๆทุกวันนะต้องซ้อมเคยทํากรรมฐานอะไรก็ทําไปเคยพุโทโธก็พุโทโธเคยหายใจก็หายใจเคยดูท้องพองยุบก็ดูเคยยกเท้าย่างเท้าก็ยกเท้ายั่งเท้าไปเคยขยับมือก็ขยับไปเคยรู้อิริยาบถสี่ก็รู้ไปแต่ใหญ่รู้อย่างเดิมนะรู้อย่างที่เคยรู้ใช้ไม่ค่อยได้จริงส่วนใหญ่ไปเที่งเนาะ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 ต้งทันโล ก, กธาตุในเวลาเพียงครู่เดียวแม้ไวพวกเราที่ว่ารู้ได้รู้ได้นะ่ากระจอกมากเลยเทียบกับพระนุรุตพระนุรุตดูได้ต้องทันโล ก, กธาตุในเวลาครู่เดียวโล ก, กธาตุหนึ่งคําว่าโล ก, กธาตุเป็นอะไรก็แปลได้หลายในยักษ์อย่างกว้างเลยก็คือแม้ดูไปตามดาวต่างๆได้ตั้งร้อยดวงอะไรอย่างนี้อย่างแคบคําว่าโลกเนี่ยก็คือรูปนาม จ, จะดูจิตคนทันคนได้ในเวลาครู่เดียวเนี่ยอย่างนี้ก็ได้